ไข่แตกเมื่อวานนี้มีสุภาพสตรีชาวเชียงใหม่คนหนึ่งมาหาข้าพเจ้าที่บ้านพักถนนเศริริซึ่งใช้เป็นสำนักงานศึกษาพุทธศาสตร์รุ่นฉลอง25สศตรวตรรษอยู่ในขณะ น, นี้เธอได้แนะนำตนเองว่าเป็นชาวพุทธผู้หนึ่งของพุทธนิคมเชียงใหม่และเป็นสมาชิกยุวพุทธิกะที่นั่นความมุ่งหมายในการมามีสองอย่างคือมาสมัครเป็นนักศึกษาพุทธศาสตร์รุ่นนี้ด้วย และต้องการจะมาพบปะสนทนากับข้าพเจ้าด้วยเป็นสองงานด้วยกันความมุ่งหมายแรกผ่านไปข้าพเจ้าได้รับใบสมัครไว้เรียบร้อยความมุ่งหมายอันหลังเป็นเรื่องยาวแม้ว่าจะใช้เวลาสนทนากันเกือบสองชั่วโมงแล้วก็ยังดูไม่เพียงพอกับความยาวของเรื่องเลยต้องใช้วิธีคุยกับกระดาษและปากกาเพิ่มเติมอีกเจว่าเพิ่มนั้นคือไม่ใช่บันทึกคาที่ได้พูดกันไปแล้วก็แล้วไป ถ้าท่านบรรณาธิการติดใจยอยากทราบตอนนั้นแล้วขอให้เล่าสู่ฟังกันแล้วกันคุณผู้นั้นปรารับว่าสันนิษฐานนี้พระสงฆ์ไทยกำลังพยายามจะเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศเช่นในยุโรปและอเมริกาแต่ปรากฏว่าพระที่เดินทางไปนั้นไม่ได้รับความสะดวกหลายประการเพราะวินัยของพระจำกัดวงไว้แคบครั้งรักษาวินัยก็เสียผลทางการเผยแผ่ศาสนา ครั้นจะเอาผลทางการเผยแพร่กันจริงๆก็ขัดกับวินัยวินัยที่ว่าส่วนมากก็เป็นข้อห้ามเล็กๆน้อยๆเป็นต้นว่าเครื่องแต่งตัวในเมืองหนาวต้องมีหมวกกันหนาวและเสื้อคลุมรองเท้าก็ต้องใช้รองเท้าหุ้มส่วนหลังของเท้าด้วยการโวนผมก็เหมือนกันไม่เหมาะกับเมืองหนาวเรื่องอาหารการกินบางถิ่นเขาเปิดขายเวลา12นาฬกาตรง ซึ่งเป็นเวลาสิ้นสุดสำหรับการฉันเพณนของพระนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องขัดข้องเล็กๆน้อยๆเช่นเกี่ยวกับการจับจ่ายเงินทองเป็นต้นพวกเพื่อนทางเชียงใหม่กำลังพูดกันถึงเรื่องนี้มากเสียงที่พูดนั้นแบ่งออกเป็นสองเสียงเสียงฝ่ายหนึ่งเห็นว่าทางพระควรยกเว้นพระวินัยบางข้อหรือไม่ก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้พระเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาได้สะดวกแต่ไม่ถึง กับเสียความเป็นพระส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่ควรทําเช่นนั้นเพราะจะทําให้าศาสนาเสื่อมโทรมต่อไปภายหลังเล่าให้ฟังแล้วคุณผู้นั้นก็ย้อนถามข้าพเจ้าว่าความเห็นสองฝ่ายนี้ฝ่ายไหนถูกใครผิดใครถูกข้าพเจ้าไม่ตัดสินแต่ความเห็นข้าพเจ้ามีอยู่ต่างหากที่เขียนมานี้ก็เป็นการเสนอความเห็นส่วนตัวไม่ใช่ตั้งใจจะคัดค้านหรือสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คนของศาสนาพุทธที่เรียกว่าพุทธบริษัทจัดเป็นเหล่าบุคคลคือภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาจัดตามชั้นปฏิบัติวินัยมีสมชั้นฝ่ายชายก็3ฝ่ายหญิงก็3ดังนี้ฝ่ายชายฝ่ายหญิงชั้นอุดมภิกษุภิกษุณีชั้นมัธยมสามเณรสามเณรี ชั้นปฐมอุบาสกอุบาสิกาแต่ละประเภทต้องรักษาศีลตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้คือทั้งหมดนี้ต่างกันโดยศีลเท่านั้นส่วนการปฏิบัติธรรมะขึ้นถึงขั้นสุดยอดไว้ทุกชั้นอุบาสกอุบาสิกาอาจตั้งอยู่ในธรรมะอันประณีตยิ่งกว่าเหล่าอื่นๆก็ได้เรียกว่าธรรมะไม่มีขีดขั้นบังคับที่แยกเป็นสาชั้นนั้นแยกตามวินัยหรือศีล อุบาสกอุบาสิการักษาศีลหศีล8สามเณรรักษาศีล10พระรักษาศีล227เเป็นที่รู้กันว่าอย่างนี้ถ้าชักศีลออกเสี็จแล้วผู้นั้นก็เปลี่ยนภาวะไปเป็นอย่างอื่นการที่ผู้ใดจะออกจากภาวะอย่างนี้ไปเป็นอย่างอื่นเช่นเดินเป็นพระจะลดตัวลงมาเป็นสามเณรหรืออุบาสกก็ย่อมทำได้ โดยไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดพระพุทธประสงค์แม้จะปฏิบัติเพื่อบ ร, รุมรกผลนิพพานก็ไม่ขัดข้องพวกที่ทำผิดนั้นเฉพาะพวกคาบเกี่ยวคืออยากเป็นทั้งสองอย่างเช่นครองเพศเป็นพระแต่อยากปฏิบัติวินัยเท่าสามเณรหรือเท่าอุบาสกอย่างนี้ผิดหรือคนเป็นอุบาสกมีลูกมีเมียเกิดอยากจะอวดวิเศษ ทำเป็นครองผ้าเหลืองอย่างพระเพื่อให้ใครๆกราบไหว้อย่างนี้ก็ผิดพูดง่ายๆพวกที่ผิดเฉพาะพวกคาบลูกคาบดอกสะเทอนน้ำสะเทินบกเท่านั้นพิจารณาดูการจัดประเภทพุทธบริษัทแล้วเห็นได้ชัดว่าพระพุทธศาสนาได้จัดระบบการปฏิบัติไว้กว้างขวางเพียงพอที่ผู้นับถือศาสนานี้จะครองชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องยุ่งยากคิดปรับปรุงแก้ไขของท่าน ทางที่จะปรับปรุงมีอยู่ทางเดียวคือปรับปรุงชีวิตจิตใจของเราให้เข้าไปในแบบของท่านให้ได้เท่านั้นปัญหาเรื่องวินัยขัดขวางการปฏิบัติกิจนั้นอาจมีได้แต่ก็มีทางออกซึ่งในวินัยนั้นเองได้กาหนดไว้ยกตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องเสื้อคลุมกันหนาวข้าพเจ้าคิดว่าในสมัยพุทธกาลพระก็คงเคยต่อสู้กับความหนาวมาไม่น้อยพระชมพูทวีปนั้น ทั้งแถบเหนือจดเขาหิมาลัยพระพุทธองค์ก็ท่งบัญญัติผ้าสังฆาติไว้ให้ผ้าสังฆาตินั้นทำแบบเดียวกับจีวรแต่สองชั้นหนามากสำหรับห่มกันหนาวคือแต่ในเมืองเราใช้ผ้าบ่าส่วนหมวกนั้นเปลี่ยนเป็นใช้ผ้าสกกลาดเหลืองคลุมศีรษะก็ได้เพราะในพระวินัยแม้ห้ามให้บุคคลคลุมศีรษะเข้าในละแวกบ้าน แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าเว้นไว้แต่มีอันตรายเช่นหนาวจัดร้อนจัดหรือพระอาภาตเป็นต้นข้าพเจ้าเคยเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในสายของท่านอาจารย์มั่นท่านหาทางออกได้อย่างวิเศษที่สุดคือท่านต้องการจะปลีกตัวไปบำเพ็ญสมณธรรมในถ้ําแห่งหนึ่งตั้งใจจ ะ, ะเผดิจศึกกับจิตของตัวเองเสียทีจะต้องไปอยู่คนเดียว ไม่เกี่ยวข้องกับหมูแต่มีปัญหาว่าท่านเป็นพระใครจะประเคนอาหารให้ท่านจะสอยผลไม้ในป่าฉันเองก็ไม่ได้จะก่อไฟก็ไม่ได้เพราะขัดด้วยพระวินัยในคราวนั้นท่านหาทางออกโดยลาสิขาจากพระภิกษุควงบรรพชาเป็นสามเณรแล้วไปทำความเพียรเป็นเวลาเกือบสามเดือนท่านจึงกลับวัดแล้วขออุปสมบทใหม่มีพระอื่นถามท่านว่า ไม่เสียดายพรรษาหรือท่านตอบว่าจะเสียดายไปทำไมพรรษานั้นเรามีไว้ให้คนอื่นไหวเท่านั้นสู้ทำจิตเราให้บริสุทธิ์ไม่ได้ท่านบวชใหม่ท่านก็เป็นพระใหม่แต่ธรรมะหรือภูมิธรรมของท่านใครลดไม่ได้ข้าพเจ้ายัางเคารพ บ, บูชาท่านผู้นี้จนทุกวันนี้โดยเฉพาะนึกชมความคิดของท่านที่ลางออกได้วิเศษแท้แทนที่ท่านจะลดวินัยลง ท่านกลับลดพันสาของท่านเองซึ่งเป็นการเสียสละการกราบไหว้ที่ท่านจะได้รับจากพระอื่นเสียก็ถูกของท่านแล้วเพียงแต่การไหว้ของคนอื่นเราเสียสละไม่ได้แล้วจะไปพูดถึงการสละกิเลสตัณหาได้อย่างไรไข่เป็ดไข่ไก่ถ้าเปลือกกร้าแม้นิดเดียวก็ทำให้ไข่ทั้งลูกเน่าไปได้พระวินัยของพระก็เหมือนกันการรื้อถอนแม้แต่น้อย กรเท่ากับเรากระทาะเปลือกไข่ให้มีรอยร้าวนั่นเองเดี๋ยวนี้เราจะส่งไข่ไปฟักที่เมืองฝรั่งแต่เพื่อสะดวกในการบรรจุลงหีบลงกล่องจึงคิดจะกระเทาอเปลือกเสียข้าพเจ้ากลัวว่าไข่เมืองไทยจะเน่าเสียก่อนถึงเมืองฝรั่งฟักไม่เป็นตัวจะขายหน้าเขากระมัง